พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่2สิงหาคม2555วันอาสารหาบูชามีชื่อเรื่องว่าจงมั่นใจในสายหลวงปู่มั่น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 ปัญจวคีทั้งห้าที่กรุงพาราณสีจากนั้นพระองค์ได้แสดงธรรมจักกับประวัตนัสูตรโปรดปัญจวคีทั้งห้าคือโกนธัญญาวปาพัทธิยะมหานามาจชะชิที่เป็นพราหมณ์ที่ปนนิบัติพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็ได้ออกมาจากพุทธกยามาบําเพ็ญเป็นลือสีที่แขวงพาราณสี แต่พระพุทธองค์ได้เดินมาโปรดมาแสดงธรรมจากนั้นพระปัญจวัคคีทั้งห้ท่านก็ได้สําเร็จพระอัญญากลัญญะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นท่านแรกจากนั้นท่านก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้บวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือบวชด้วยเอหิภิกขุคือบวชเฉพาะพระภักพระพุทธเจ้าจากนั้นพระอัญญากลันยะ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 ถ้าหากว่าไม่มีความเชื่อคือศรัทธาคือความเชื่อไว้ล่วงหน้าซะก่อนถ้าเรายังไม่เชื่อว่าตรงหน้านี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่กล้าทุ่มเทเหมือนกับเราจะเสะแสวงหาทรัพย์อยนีถ้าหากว่าพวกเราไม่มั่นใจในการเสาะแสวงหาทรัพย์เราก็ไม่กล้าทุ่มเทในการเสาะแสวงหาทรัพย์แต่เมื่อเรามั่นใจว่าการเสาะแสวงหาทรัพย์ในทางนี้แหละถูกต้องได้กําไรแน่ ต้องไม่ขาดทุนแน่ต้องได้กำไรแน่เราจึงจะมีความมั่นใจในการดำเนินในธรมาค้าขายของเรานี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ได้กันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผล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 ได้มาประพฤติปฏิบัติในวันนี้อันดับแร ก, กหลวงพ่ออยากจะสอนเรื่องสมาธินี่แหละพ่อเรื่องทานเรื่องศีลนานะพวกเราก็พอได้ศึกษามาพอเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรื่องภาวนาเนี่ยนะเรื่องภาวนานในพรรษา น, นีนะ้พวกเราควรจะตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาอย่างน้อยวันละสินาทีหรือยี่สบนาทีสาสินาที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 ไม่ได้รับการศึกษาให้กว้างขวา ง, วางพวกเราก็คงจะสับสนเหมือนกันว่าการภาวนาเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันสำนักหนึง่งพูดอย่างหนึ่งสำนักหนึงนหน่งพูดอย่างหนึง่งหลายๆสำนักไม่รู้จะจับอันไหนมาปฏิบัติผลที่สูดก็เลยไม่รู้จะจับเงื่อนไหนผลที่สูดก็เลยไม่กล้าตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะไม่มั่นใจเพราะสำนักหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่งสำนักหนึ่งก็พูดไปอย่างหนึ่ง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 แต่พอท่านล่วงลับดับขันไปท่านมรณะภาพลงไปไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นที่วัดสุดทาวารจังหวัดสกลนครและที่หลายๆแห่งคือกระดูกอติธาตุของหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นก็มีหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ต่างๆที่ท่านปฏิบัติตามแนวแถวของหลวงปู่มัน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 เราจะไม่เกิดอีกแล้วนี่อันนี้คือคือลวงตามหาบัวท่านประ ก, กาศท่านบอกแต่เมื่อท่านล่วงรับดับขันไปไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอีกเนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายมั่นใจว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพาประพฤติปฏิบัติมานี้เป็นสายทางสู่มรรคผลนิพพานถ้าผู้ใดปฏิบัติตามที่แนวแถวของหลวงปู่มั่นเออ แล้วเอาจริงจังตามแนวแถวของท่านปฏิบัติมรักผลนิพพานคอยพวกเราอยู่รอพวกเราอยู่ต้องถึงมรักผลนิพพานแน่นอนไม่ว่าฝ่ายหญิงไม่ว่าฝ่ายชายแต่สําหรับฝ่ายหญิงก็เหมือนกันอย่างคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําท่านปฏิบัติแต่ก่อนท่านก็หลงในนิมิตรละภาวนาไปแล้วก็เห็นนิมิตต่างๆจนหลวงตามหาบัวท่านไปแก้ ทางด้านจิตใจท่านแนะนําคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วก็ปฏิบัติตามทำคําสอนขององค์หลวงตาผลที่สุดท่านก็ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมหลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่าแม่ชีแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรทางด้านจิตใจเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นยังไงทางด้านจิตใจแม่ชี้แก้วเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมะตนนี้ไม่ได้เลือกหญิงไม่ได้เลือกชาย พอถึงจุดหนึ่งแล้วก็คือพระรหันต์เสมอกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายหญิงชายก็คือเพียงแต่ธาตุสร่างกายเท่านั้นเองแต่ส่วนจิตใจนั้นคือพระรหันต์เสมอกันความบริสุทธิ์จุดพนเสมอกันจากนั้นมาคุณแม่จีแก้วท่านเมื่ออายุท่านได้เก้กว่าปีท่านก็มรณภาพลงเมื่อท่านมรณภาพลงไม่นานอธิษาานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอีกเหมือนกันเราจึางมั่นใจว่า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 อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ทั้งหลา ย, ลา ย, ลายได้ศึกษาที่ไหนหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราเรียงลาดับตั้งแต่ทีแรกเลยละ่ะที่ไหนหลวงพอจะเรียงลาดับให้แก่พวกเราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเลยถ้ า, าว่าพวกเราให้ภาวนานะพวกเราไม่รู้จะภาวนาอย่างไงให้ภาวนานะพุโทโธพุโทโธนาะก็ไม่รู้จะพุโทโธยังไง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 หรือจะเข้าเข้าห้องพระก็ได้แล้วที่นอนของเราก็ได้พอแล้วเราก็กราบกราบไปทางหมอนที่หัวนอนของเรากราบนั่งคุกเขา่านั่งคุกเขา่าแล้วก็กราบพุทโธธรรมโมสังโฆหลวงปู่ล่าท่านยังสอนว่าพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังไอ้ว่าเรากราบพระพรธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเล่นๆไม่ได้กราบธรรมดาเรากราบเพื่อมักผลนิพพาน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 จากนั้นก็นเราก็สันรเสริญพระพุทธเจา้าอรหังสมาสัมพุทโธปะขวะพุทธังปะขวันตังอภิวาเทมิไอ้ข้าบอกขอการาบอภิวาทพระพุทธเจา้าแล้วก็สวากาตขอการาบอภิวาทพระธรรมแล้วก็สุปฏิปัโนขอการาบอภิวาทพระสงฆ์ขอการาบคารวะพระสงฆ์จากนั้นก่อน น, ะ, นะโมนะโมตัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมา ARS, สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งจากนั้นเราจะกล่าวพุทธทางธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณเป็นที่พึ <customer> ่งดุติยามปีพุทธทางธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธทางธรรมังสังขัง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 จากนั้นกสาวาขาโตและกัการเยยวาจาและกัสุปฏิปโนและกัการเยยวาจาข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพังพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อโหสิให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิญอันนี้ก็คือความนอบน้อมต่อบอลมครูจากนั้นก็เมตตาอาหารสุขิโตโหมินิตตโกมิข้าพเจ้าขอเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตวอื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินเน อ, อันนี้คือเรากราบไหว้พระก่อนนอนนะเ่ยเราจะพูดในยอกก่อ่นนั้นก็ได้เรา阿拉หังสวะคาโตสุปฏิปโนพุทธทางธรรมังสังขังจากนั้นก็แผ่เมตตาเลยก็ได้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 ถ้าคนไม่มีเมตตาไปที่ไหนมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนไมีแต่ไปด่าเขาเมื่อเขาด่าเขาเขาก็ด่าเราเมื่อเราจะคิดจะฆ่าเขาเก็คิดจะฆ่าเราเออเมื่อเราโมโหแก่เขาเขาก็โมโหแ ก, ก่เราเนีถ้าเรามีเมตตาต่อทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาสําหรับเราเพราะฉะนั้นพระพุธทธเจ้าทนุนให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเรามีเมตตากับเขาเขาก็มีเมตตากับเรา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 ก่อนที่เราจะไหว้พระก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราไหว้พระสัก่อนจากนั้นก็จเจริญเมตตาจากนั้นพอนั่งจเจริญเมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งคัตสมาธิแลจะไหนหรือจะนั่งพับเพียบก็ได้หรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้สุดแท้แต่ที่สุขภาพของเราแต่ตามไม่จริงถ้านั่งสมาธิได้อันนั้นดีที่สุดถูกตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านให้นั่งสมาธิเพรเมื่อนั่ง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 เออพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเมื่อเรานั่งขัดสมาธิเถอะขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกปนมมือขึ้นเราก็ไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบจากนั้นเอามือลงแล้วก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่น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 ไม่ใช่ว่าปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งแล้วก็แบกบรขึ้นมาบอกเออทำไมนั่งภาวนาทำไมปวดแข้งปวดขาเวลาเรานั่งอย่างอื่นดูหนังดูละครดูโทรทัศน์เออดูหนังฟังรําเรานั่งนานได้เพราะเหตุใดเพราะเราชอบแต่พอนั่งสมาธิภาวนาเนะี่ยนั่งหน่อยเดียวก็ว่าปวดแข้งปวดขาเพราะเหตุใดกิเลสในใจของเรามันมากมันก็เลยออกออ ก, ออกไปทางที่ไม่ชอบ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 ไปปฏิบัติที่ท่านไปนั่งอยู่ที่โคลนต้นโพพระพุทธเจ้าสิทธัตถะท่านนั่งกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกในวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรูนะจากนั้นพระไทยด้วยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพระองค์จึงได้เกิดญาณทัศน์เกิดฌานปุเพเนวาสานุจติยานอันนั้นคือของพระพุทธเจ้า แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเราเอาแต่กาหนดหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่ามันจะสั้นไปมันจะหลุดได้ง่ายเพราะนั้นเราควรจะบริกรรมสามทัพกับพุทธโธด้วยบริกรรมพุทธโธด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโรอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นท่านสอนจากนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านก็บอกว่า สมัยก่อนหน้านี้ท่านเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจิตใจก็ารวมสงบเป็นบางครั้งพอต่อมาอีกมันหลุดพอมันหลุดท่านนี้มันจิตใจมันเสือเส่อมเสื่อมค่อยๆมันหลุดจากสมาธิทำให้จิตใจของท่านร้อนระอุร้อนรุ่มอย่างสุดๆท่านนี้เข้าไปกับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็แนะนา ลงตามาหาบัวท่านก็เลยยึดกรรมฐานตรงที่ว่าแน่นสิหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าโธเวลาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเหวี่ยงขวาพุทเหวี่ยงซ้ายโทมีสติสัมปะชัญญะในการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดท่านบอกว่าโอโ้เป็นเรื่องที่หนักหนักมากๆหนักสุดๆด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 เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะลวงพ่อมั่นใจว่าสายที่หลวงปู่มั่นพาประพฤติธปฏิบัติมานี้เป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วก็พร้อมกันยุคสมัยนี้ก็มีไล้หลายคนหลายแนวทางพวกเราถ้าหากว่าเราจะศึกษาหลายแนวทางพวกเราจะสับสนเสียเวลาของพวกเราอีกไม่รู้จะเดินผิดเดินถูกอีกต่างหาก บางทีไปเห็นครูบาอาจารย์บางองค์ให้นั่งภาวนาและส่งจิตออกไปข้างนอกสิแล้วจะไปเห็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรหมเกิดชาญอย่างนั้นเกิดญาณนี้เกิดพลังอย่างนี้เกิดพลังอย่างนี้เกิดอภินิห า, ารอย่างนี้เกิดอภินิหารอย่างนี้พวกเราก็จะอยากจะได้อภินิหารอย่างที่ท่านบอกกล่าวผลี่นนสุดนั่นแหละหลงทางผลี่นนสุดฉ า, ายลงปู่มั่นท่านบอกว่าการส่งจิตออกไปทางนอกนั้น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 สมาธินี่จะทำอย่างไรสมาธินะ่คือเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่านั่งปัดสามาธิขาขวาทับขาซ้ายบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยไม่ให้ใจส่งออกไปข้างนอกเมื่อจิตใจรวมสงบนะแต่สมาธินั้นท่านว่ามีมีสมระดับมีสขั้นนะแต่พวกเราไม่ต้องใส่ใจนะเพียงแต่เรียนรู้ไว้ประวัติสมาธินะ่มีกี่ย่าง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 คณิกะสมาธิจิตใจของเราเย็นเย็นผิดปกติในชั่วขณะหนึ่งคะจิตใจเย็นจิตใจสบายจิตใจที่มันเย็นสบายอย่างนั้นอ่ะมือนเหมือนกับมื อ, ม อ, อ, มอแสงสว่างแล้วว่ามีความรู้สึกในจิตใ จ, ใจผิดปกติอันนี้เราว่าคณิกะสมาธิจิตใจเย็นสบายชั่วขณะหนึ่งแต่เพียงขณะเดียวเท่านั้นใจของเราเราของเราก็ไม่ลืมเราละลึกขึ้นมาเทีไร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 สติกับจิตของเราใจของเราคิดเรื่องอะไรสมาสติของเราทันถึงทันใจของเราเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้คิดผิดหรือคิดถูกคิดไปในทางไหนคิดโดยมากเมื่อเราทันมาแล้วมันจะไม่คิดไปในทางที่เลว็วมันจะอยู่มันจะนิ่งมันจะสบายมันจะไม่หิวโหวยจิตใจของเรากับสมาธินี่มันจะดูควบคุมสติของเราควบคุมจิตนะจิตจของเราจะไม่ทะเลาถ่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 รวมลงไปอีกเหมือนกับตกเหวตกบ่อหรือว่ามันมันรวมสงบเน่งลงไปแต่คราวนี้สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งสติเป็นอะไรจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นอยู่ในที่อันเดียวกันอันนี้เแปลว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วบางคนก็รวมนานไหมไม่นาน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 ว่าร่างกายของเรานั่งอยู่ณนะสถานที่ใดมีแต่สติกับจิตอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งแต่จิตประเภทนี้ไม่ใช่ว่าเราจะรูบรวมลงง่ายๆหรือว่าเราจะไปนั่งสงบที่ไหนหได้ง่ายๆไม่ใช่นะเราจะไปเข้าใจอย่างนั้นจิตที่จะสงบจุดนี้ได้เป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่มันจะปล่อยวางร่างกายมันไม่ใช่ไปกลางถนนทุนทางก็จะจิตรวม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 แยกได้ชัดเลยเมื่อจิตเป็นอัปปนาสมาธิเรารู้ได้ชัดเจนแล้วว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายเนี่ยเป็นอันหนึง่งจิตใจของเราเป็นอันหนึง่งผู้รู้เป็นอันหนึง่งร่างกายเป็นอันหนึ่งเหมือนกับรถกับคนขับรถเนี่ยเห็นได้ชัดอย่างนั้นน่ะรถไม่ใช่คนขับรถคนขับรถไม่ใช่รถน่ยเห็นได้ชัดอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อจิตของเรารวมสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราจะรู้ได้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 ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายสังขารอย่างที่พวกเราที่สวดเมื่อกี้เนี่ยอาการ32สองของร่างกายมีตับมีปอดมีพังผืดมีมันสมองที่พวกเราไปเนี่ยมีอุจจละปัสวะมีเลือดมีตีมีสเล็ตมีตับมีปอดมีหัวใจที่เราสวดจบลงจากกรุนที่เราอาการ32สอง สาธยายอาการ32สองในเมื่อเราพิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะพอดูซิแยกส่วนแบ่งส่วนดูซิฮะใจเมื่อใจผ่านความสงบเมื่อใจผ่านอัปปนาสมาธิและใจเป็นอุปจารสมาธิแล้วใจผ่านความสงบ พ, พอสมควรแล้วเรามาพิจารณาร่างกายมันก็เห็นได้ชัดเพราะเห็นแยกส่วนแบ่งส่วนดู ถอนผมไว้ไว้ดูซิถอดขนไปไว้ซิถอดเล็บไปไว้ซิถอนฟันไปไว้ซิเป็นกองกองถลกหนังไปไว้ซิชำแหละเนื้อไปไว้ซิกระดูกไปไว้ซิตับปอดหัวใจแต่ละส่วนละส่วนไปกองไว้เหมือนกับเราชำแหละเนื้อของออหมูหมากาไก่อย่างนั้นะเอาไปชำแหละไปดูแล้วเป็นยังไงเราพิจารณาดูซิร่างกายของเราอันไหนเป็นของเราร่างกาย เป็นของเราใช่ไหมผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ําตับหัวใจพังปืดเป็นของเราใช่ไหมใจนี่แหละใจก็คือตัวผู้รู้อย่างที่ว่านะั่นแหละคือโซเฟอร์สามโซเฟอร์นะดูร่างกายนี่เป็นของเราใช่ไหมโซเฟอร์อรถนี่เป็นของเราใช่ไหมโซเฟอร์โซเฟอร์ใช่เป็นของเราแต่ว่าถ้าหาว่าไม่ให้รถมันตายละ่ะไม่แหมมันรถรถมันหมดน้ํามันละ่ะ ได้ไหมเออได้เราตรงเติมน้ำมันให้มันให้มันกินแต่ว่าถึงจุดจบของมันแล้วเมื่อมันเท่าแก่ชราไปแล้วอายุรถมากๆแล้วไม่ให้มันติดไม่ให้มันไม่ให้มันตายได้ไหมโซเฟอร์โซเฟอร์กับคงจะรับอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะเราใช้เป็นนานๆนฮะรถมันก็หมดสภาพเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันใจของเราในเมื่อเราใช้ร่างกาย ตั้งแต่เราเกิดมาเราไม่เคยดับเครื่องเลยนะแต่รถของเราเนี่เราใช้มากลางวันเราวิ่งพอเราหยุดใช้เราก็ดับเครื่องมันไว้แล้วก็เมื่อเราจะใช้เราก็จะตัดเครื่องมันแล้วก็เดินขนาดเป็นเหล็กเป็นขางแท้ๆนะมันก็ยังใช้ไม่กี่ปีแล้วก็ใช้แบบไม่ตลอดต่อเนื่องอีกต่างหากแต่ร่างกายของเรานี่สิตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่แล้ว ไม่เคยดับเครื่องเลยหัวใจก็เต้นอยู่ตลอดหัวใจสูบฉีดอยู่ตลอดที่ปะจรเดินอยู่ตลอดในร่างกายตึกตัก ต, ก ต, ก, ต, ก, ต, ก, ตกตักในร่างกายของเราดูสิบางคนทเป็นร้อยปีฮะห้าหกสิปีเจ็ดิปีแปดสิปีไม่เคยดับเครื่องเลยนี่แหละทนทายาทถ้าจะว่าไปแล้วร่างกายของเราแต่ถึงยังไงก็เถอะอีกสักวันหนึ่งฮะบางคนก็ใช้ไม่ได้นาน พอเหมือนกับรถออกมาใหม่ๆตายก็มีบางคนก็ใช้มาไม่กี่ปีกี่เดือนออตายก็มีตกถนอนผนทางก็มีเฉียวชนก็มีมันไปได้ทั้งนั้นร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้รับปากกันว่าเกิดมาแล้วจะไม่ตายอยู่ในกฎอนิจรรยทุกขังอนานตาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, ยาท่านให้พิจารณาร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะเนี่นี่ยะใจที่ผ่านความสุบสอนโซเฟอร์ลแล้วจะ โซเฟอร์นะต้องคิดตูให้ดีนะร่างกายนี่ไม่ใช่รถเดี๋ไม่ใช่ของท่านนะไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะรถคันนี้จะต้องพังในเมื่อพังแล้วท่านเตรียมพร้อมะอะไรยังเตรียมเงินที่จะซื้อรถคันใหม่หรือยังมีไหมทุนที่จะซื้อรถคันใหม่ท่านได้เตรียมพร้อมหรือยังนี่แหละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาถึงใจเลยตัวผู้รู้คือนามธรรม ที่เป็นเจ้าของของเรื่องท่านว่ามนโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วใจใจของเรานั้นน่ยเป็นใหญ่คือตัวผู้รู้นั่นเป็นใหญ่เพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาถึงใจคือตัวผู้รู้นั้นในเมื่อพิจารณาถึงร่างกายของตนเองแล้วจ้ะนี่ร่างกายขนาดร่างกายของตนเองยังไม่ใช่ตัวตนของเรา่ะ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 และศาลาวัดวาศาสานาล่ะลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมจะถูกปัจจัยไทยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นของหลวงพอ่ออินย่างงั้นใช่ไหมฮถ้ า, าว่าหลวงพ่ออินไม่ง้อจนเกินไปน่ะหลวงพอ่ออินก็ต้องว่าไม่ใช่ขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ของเราเราจะเป็นปยึดของเหล่านั้นว่าเป็นของเราไม่น่าจะถูกนะใจน่าเ น, นี่แหละใจของเราก็รู้แจ้งเห็นจริงรู้จักปล่อยรู้จักวาง จากนั้นกับพิจารณาถึงใจจะไหนมันหลงอยู่ที่ไหนมันหลงอยู่ที่ใจจากนั้นก็เมื่อเราพิจารณารู้รอบขอบชิดทุกอย่างพิจารณากายและกัพิจารณาใจพิจารณาใจจะแล้วพิจารณากายเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในผลที่สุดเราก็รู้แจ้งเห็นจริงในใจของเราใจของเราไม่หลงแต่ไม่หลงรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส รุดพ้นคือไม่มาเวียนไหว้ตายเกิดอีก น, ะนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจา้าไม่ได้อยู่ที่ไหนนะความรุดพ้นหรือพระรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจคือรู้แจ้งเห็นจริงเท่านนะั้นเป็นพระรหันต์ได้นะเพราะนั้นขอให้พวกคณะสัาญญาตยายาจรมทุกๆ ท, ท่านนะการภาวนาและการปฏิบัติในทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันนะ่นเนี่ยท่านให้พิจารณาอย่างนี้ท่านให้ปฏิบัติอย่างนี้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 ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาก่อนพวกเร า, เ, าเมื่อท่านปฏิบัติมาแล้วหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าฝ่ายหญิงไม่ว่าฝ่ายชายาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเมื่อล่วงลับดับขันไปอธิษฐานก็ได้กลายเป็นประทานฝ่ายอุบาสิกาก็าเหมือนกันฝ่ายผู้หญิงถ้าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็สําเร็จมรรคสาเร็จผลเหมือนกับพังพุทธการเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะ ใ ห, ให้เชื่อมั่นและปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาปฏิบัติมาอย่าสับสนพูดง่ายๆนะอย่าสับสนไม่ใช่ว่าฟังองค์นั้นก็ทำอย่างนี้ฟังอง์นี้ก็ทํางนั้นผลที่สุดกระโดดหน้ากระโดดหลังกระโดดไปกระโดดมาเลยหาที่จุดที่ยับยั้งไม่ได้หาจุดยืนไม่ได้ผลที่สุดเลยหาที่ลงไม่ได้ไม่รู้จะยืนจุ ด, จดไหนเท่าไงองนั้นกูเป็นอย่างนั้นองค์นี้พูดอย่างนี้ ถ้าว่าพวกเราเชื่อในแนวแถวของหลวงปู่มั่นให้ศึกษาแนวแถวของหลวงตามหาบัวที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราจะยึดตามแนวแถวนี้ให้มั่นคงจากนั้นพวกเราประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเราแต่ทางนี้ท่านนั้นไม่ใช่ว่าเราจะกีดกันเมื่อนับถือสายหลวงปู่มั่นแล้วไม่ให้ทําบุญกับองค์อื่นไม่ใช่เราจะทําที่ไหนก็ได้เราจะทําโรงพยาบาลก็ได้โรงร่าโรงเรียนก็ได้จะทำที่ไหนไดใต้ทั้งหมด แต่ส่วนด้านจิตใจคือหลักจริงๆที่เราจะต้องปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติตามแนวแถวนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะไม่สับสนจะไม่กระสับกระส่ายจะไม่หุนหวายแต่พวกเราเองค์นั้นบงังแล้วก็องค์นี้บงังผลที่สุดก็เลยไม่รู้จะเอาตรงไหนเป็นกฎเป็นเกณฑ์ผลที่สุดก็เลยยุ่งเหยิงหุนวายในจะิตในใจก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วรุ่มหลงอีกตา่างาไม่อยากจะทํา ไม่อยากจะสร้างคุณงามความดีกิเลสก็เลยกินโต๊ะเราเลยเะต่รุมกินโต๊ะฮะเราก็เลยให้กิเลสลุมเราเลยแต่จบไม่ต้องภาวนาอีกเพราะไม่เชื่อฮเบื่อหนายฮะไม่ใช่เบื่อหนายคลายหลุดพ้นไม่ใช่นะเบื่อหนายว่าอไม่รู้จะเดินทางไหนพ่อะอะไรเพราะเราไม่มีความสัจจริงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีความสัจจริง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 ขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้มาต่อนนี้ไปขอให้พวกเราคณะรัทธาญาิโยมนั่งสมาธนะินัตนีนะ